เหตการศึกษาในพุทธศาสนาเรื่องที่อธิบายได้ยากและก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับของความเป็นกันหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของปฏิจสมุปบาทปฏิจสมุปบาทเป็นตัวความรู้ ชั้นญาณทัศนะที่แสดงถึงการขยายรายละเอียดของเหตุเกิดชาติหรือเหตุเกิดทุกข์ในอริยสัจทั้งสี่ประการห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทได้ขยายส่วนของสมุทยาอริยสัจหรือเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดชาติ แต่เป็นการขยายเหตุเกิดทุกข์ในระดับที่ยาวไปถึงรากคือสาวไปจนถึงอวิชชานี่คือกลไกของตัวความรู้ที่พระเจ้าได้ทรงไปสืบค้นภายหลังจากสิ้นอาสวัตแล้วภายหลังจากสิ้นตัณหา ภายหลังจากเข้าถึงจุดที่รู้ได้ว่าพระองค์นั้นสิ้นทุกข์แล้วสิ้นการเกิดตายแล้วสิ้นอาสวะแล้วเมื่อคราวที่หลุดพ้นเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละท่านก็ไปใช้ช่วงเวลาหลังจากหลุดพ้นนั้นเสพความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นก็เรียกเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ใช้โอกาสนั้นเป็นโอกาสของการทบ เรื่องราวที่พระองค์ได้ส่งค้นพบอีกครั้งการทบทวนอริยสัจทั้งสทํทำให้เกิดการสืบค้นในส่วนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์การสืบค้นทาให้ก่อเกิดการค้นพบความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งต่อกันไปเป็นห่วงโซ่ก็เรียกห่วงโซ่เลย เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ซึ่งการค้นคว้าของพระองค์เนี่ยพระองค์ค้นคว้าจากผลไปหาเหตุเหมือนนักสืบที่ต้องการสืบว่าเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งเนี้ยที่ทําให้เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรมันเป็นการตั้งคําถามแล้วหาคําตอบ ไปทีละจังหวะไปทีละจังหวะไปทีละจังหวะจนไปสุดคำตอบที่อวิชชาจบที่อวิชชานั่นคือสุดคำตอบเบืนการสุดคำตอบนี้เป็นความแจมแจ้งที่พระองค์ก็เกิดความรู้สึกปิติพอใจในความรู้นั้นขึ้นมาด้วยถึงกับเปล่งอุทาน การเปล่งอุทานมันบ่งชี้ให้รู้ว่าความรู้ในระดับละเอียดถึงรากเนี่ยพระองค์เพิ่งรู้แต่คำว่าเพิ่งรู้นะ่ะดันมารู้ภายหลังจากที่หลุดพ้นไปแล้วฉะนั้นพระองค์มาเติมการเขาถึงรายละเอียดหรือเติมความแตกฉานหรือเติมความครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งจากการทบทวนธรรมะ เมื่อกําลังสวยวิมุติสุขนั้นห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจัดเป็นตัวความรู้ชั้ญานทัศนะหรือตัวที่แสดงถึงกลไกลเหตุเกิดชาติการดับสนิทลงแห่งชาติเขตความรู้ตรงส่วนเนี้เป็นความรู้ที่เมื่อรู้แจ้งแล้วไม่ได้ทําให้เบื่อโลกไม่ได้ทําให้รู้ว่ากลไกลของขันธ์ทำงานยังไง ไม่ได้ทำให้รู้ว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไรโลกเป็นทุกข์อย่างไรไม่ได้ทำให้รู้แต่รู้ว่าระบบการเกิดชาติการดับสนิทของชาติเนี่ยเป็นอย่างไรความรู้ตรงส่วนนี้มีประโยชน์กับพะระอรหันต์ผู้ต้องการหมดความสงสัยในความหลุดพ้นจะเป็นความรู้ชั้นที่เติมความสมบูรณ์ของวิมุตติญาณทัศนะให้บริบูรณ์ นี่คือความรู้ฉันเป็นตัวยานที่เติมความสมบูรณ์ของความรู้ทั่วถึงในความหลุดพ้นหรือความสิ้นสุดการเกิดตายนี้คือห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าใครรู้จริงขึ้นมาสิ่งที่หมดไปไม่ใช่ตันหา ไม่ใช่ความต้องการในโลกนะแต่สิ่งที่หมดไปคือความสงสัยในความหลุดพ้นความสงสัยในความสิ้นสุดการเกิดการตายความสงสัยในระบบการเวียนว่ายตายเกิดว่าระบบมันเป็นอย่างไรว่าจะดับสนิทนั้นมันเป็นอย่างไรนี่คือความรู้ของหลงโซปฏิจสุบาทเนี่ย พอรู้สมบูรณ์แล้วสิ่งที่หมดไปคือความสงสัยหรือตัวอวิชชาอวิชชาหมดไปอีกหนึ่งตัวก็คือความไม่รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์เนี่ยถูกทำลายห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทจะฉายภาพให้รู้ได้ว่าเมื่อบุคคลบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วเนี่ย ภายหลังจากการแตกทำลายของกายขันทั้งห้าจะดับสนิทห่วงโซ่ปฏิจจะบอกให้รู้ถึงภาวะที่ว่าเมื่อใดก็ตามบุคคลผู้สิ้นอวิชชาและตัณหาบุคคลนั้นจะมีความดับสนิทไปของสังขารทั้งหลายคือกายสังขารประจีสังขารจิตสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับ สรายัตนดับผัสสะดับเวทนาดับพอสิ้นอวิชชาเนี่ยสังขารทั้งสามดับทำให้รู้ว่าขันห้าดับสนิทหมดเลยคนที่สิ้นอวิชชาขันห้าต้องดับสนิทหมดเลยนี่ก็ห่วงโซ่ปฏิติบอกไว้เลยทำให้คนที่สงสัยว่าพระลรหันเนี่ยพอปรินิพานแล้วเนี่ยยังมีจิตเหลืออยู่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยจบไปเลย งโซปติจยสุมบาทบอกไว้เสร็จเลยว่าเมื่ออวิชชาดับอวิชชาสิ้นไปวิชชาเกิดขึ้นสังขารทั้งสามจะดับสนิทไปด้วยวิราคธรรมด้วยความหลุดพ้นเมื่อสังขารทั้งสามดับสนิทวิญญาณก็ดับสนิทวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอดับสนิทขึ้นมาเนี่ยภาว้อย่างนั้น หมายถึงเราไม่เหลือตัวรู้อีกแล้วนึกสภาพว่าเราไม่เหลือตัวรู้แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนึกภาพออกไหมตัวรู้หมดไปแล้วเนี่ยจะคิดได้ไหมจําได้ไหมรู้สึกได้ไหมเมื่อวิญญาณดับสนิทนามรูปก็ดับสนิทคําว่าดับสนิทหมายถึงว่ามีอะไรเหลือไหมไม่เหลือนี้ขุมโซ่ปฏิจจสมบทบอกให้รู้ว่า นามรูปดับสนิทวิญญาณดับสนิทเพราะสังขารทั้งสามดับสนิทสังขารทั้งสามดับสนิทเมื่ออะวิชาดับสนิทกลไกเขาบอกอยู่แล้วถ้าใครสอนว่ายังเหลืออยู่ยังจิตเหลืออยู่คานกับห่วงโซ่ปะติดไหมคานแล้วอันนี้คือคาน ห่วงโซ่ปฏิจจสุบาททำให้รู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยพอถึงจุดสมบูรณ์แล้วการแตกทำลายของกายเนี่ยจะสะท้อนการดับสนิทลงของขันให้ปรากฏนี่คือมุมเนี่ยแล้วก็แสดงให้เห็นองค์ประกอบของระบบการเวียนว่ายตายเกิดอะไร ว่าสัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยมีกลไกลอย่างไรห่วงโซ่ปฏิจจสุบาทแสดงให้เห็นวิถีของวัตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยณนะปัจจุบันก็จะเริ่มมีการสอนว่าถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดแบบตายแล้วก็ยังเหลือจิตอยู่ สำหรับจะมาเวียนเกิดเข้าท้องกันเนี่ยถ้าเชื่ออย่างเนี้ยถือว่าเป็นความเห็นผิดเป็นความเชื่อแบบพรามเป็นความเชื่อแบบมีอัตตาพุทธศาสนาไม่สอนว่ามีการเวียนไหวแบบนี้อันนี้คือคำสอนในะปัจจุบันก็มีสอนแบบนี้อยู่นะว่าถ้าเป็นพุทธศาสนาจะต้องไม่มีการสอนแบบที่จะมีวิญญาณเวียนเข้าท้องกันอย่างนั้น าเวียนเข้าท้องอย่างนั้นไม่ใช่พุทธแต่เป็นพรามอันนี้มีการสอนอย่างนี้จึงทำให้เกิดการตีความห่วงโซ่ปฏิจจสมบาทเพื่อที่จะหลีกการสอนในแบบที่จะต้องมีการเวียนไหวด้วยการตายแล้วก็เวียนมาเกิดเข้าท้องกันใหม่แล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็มาเกิดเข้าท้อง ให้เป็นการเกิดตายในขณะจิตอันนี้คือเกิดตายในขณะจิตก็จะเป็นมุมหนึ่งของการสอนเรื่องปฏิจิที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันณปัจจุบันนี้มีการเวียนว่ายในขณะจิตมีชาติเกิดดับในขณะจิตแต่จะไม่มีการเวียนว่ายแบบว่าตายแล้วจะต้องเหลือจิตแล้วก็จะมาเกิดอีกอันนี้คือ มีการสอนแบบนี้ที่ประเทศไทยเราเริ่มที่จะมีความกระตือรือร้นสนใจเรื่องราวปฏิจจสุบาทซึ่งถูกจุดประกายขึ้นมานะพระครูบาอาจารย์ท่นได้จุดประกายขึ้นมามีการดึงเรื่องปฏิจมาเผยแร่เยอะขึ้น แต่การเผยแพร่ก็เป็นการเผยแพร่ห่วงโซ่ปฏติในแบบที่ต้องตีความเองอีกเหมือนกันเหตุที่ต้องตีความเองเพราะว่าในพระไตรปิฎกพระเจ้าไม่มีการอธิบายปฏิติจะสมุปบาทไว้เลยไม่มีเลยดังนั้นเมื่อไม่มีการอธิบายเรื่องปฏิติไว้เลยเนี่ยคนที่จะทำความเข้าใจต้องตีความเอาเอง การเวียนว่ายไตเกิดพรามเขามีความเชื่อไปในทางว่ามีอัตตาหรือมีตัวบุคคลมีตัวเราเชื่อไปทางมีตัวเราหรือมีตัวบุคคลอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อไปในทางมีอัตตาแล้วเจ้าตัวบุคคลนี่แหละไอ้เจ้าตัวเราเนี่ยแหละก็จะเป็นสิ่งที่ไปเวียนว่ายไตเกิด แล้วเจ้าตัวบุคคลตัวเราเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาบ่มเพาะบารมีบ่มเพาะอะไรต่างจนกระทั่งเจ้าตัวเราหรือตัวบุคคลนี่แหละพัฒนาจนมีสภาพที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วเจ้าตัวเราเนี่ยก็เป็นอมตะอยู่ในภาวะที่ไม่ต้องมาเกิดการเชื่อในทางว่ามีตัวเราเป็นผู้เวียนว้ายมีตัวเราผู้ทรงตัวเป็นอมตะเนี่ยตัวนี้ก็เรียกเชื่อไปในทางมีอัตตา อย่างในหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขยับได้หุ่นยนต์พูดได้เลยในหุ่นยนต์เนี่ยมันมีตัวบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในหุ่นยนต์ั้มเราจะพบมันไม่มีตัวอัตตาหรือตัวบุคคลหรือตัวใครเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์แต่มันเป็ น, นกลไกระบบของธรรมชาติล้วนเลยแต่พอมาในสรีรถยนต์คือชีวิตเนี่ยเราจะพบมีเราอยู่ในชีวิต ถูกไหมนี่คือความเข้าใจพื้นฐามนะมีเราอยู่ในชีวิตมีเจ้าตัวชีวิตคือเราไอตรงความเห็นว่ามีเราตรงเนี้ยเขาเรียกอัตตานุทิฏฐิหรือเชื่อว่ามีเราเขาเลยเชื่อไปในทางมีอัตตาพอตายก็เป็นว่าเราตายพอเกิดก็คือเราเกิดเนี่ยเคยเชื่อมีเราพอบริสุทธ์ก็คือมีเราบริสุทธ หรือแม้แต่ดับศูนย์ก็คือมีเราศูนย์ไอ้ น, นี่คือความเชื่อไปทางมีอัตตามีตัวบุคคลถ้าเชื่อแบบเนี้ยก็ เ, เรียกเชื่อแบบพรามที่มีตัวบุคคลในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าพุทธศาสนามันจะยังมีแต่ธรรมไม่มีระบบการเวียนว่ายตายเกิดมันมีภาวะที่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด แต่มันไม่มีตัวบุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธรรมไม่ต้องมีเรามันก็ยังมีขันที่เวียนว่ายตายเกิดได้และไม่ต้องมีเราก็มีขันมันดับสนิทการเวียนว่ายได้ไม่ต้องมีเราแต่ถ้าไปในทางพราหมณ์มันจะมีคาว่าเราเข้าไปในขัน มีขันเป็นเราแค่มันต่างกันว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไม่สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่สอนให้รู้ว่าวิธีการเวียนว่ายที่มีนั่นน่ะมันไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในระบบนั้นเลยถ้าขันยังมีการดำรงอยู่ขันยังมีการดำรงและเหตุของการหล่อเลี้ยงขันนั้นยังคงอยู่เนี่ยขันนั้นจะยังไม่ดับสนิท เมื่อไม่ดับสนิทขันสามารถจะมาสืบต่อให้มีการก่อตัวขึ้นมาได้อีกโดยไม่ใช่เราเกิดแต่ขันมันเกิดหมายถึงชาติจะยังมีเพราะมีภพภพยังมีเพราะมีอุปาทานอุปาทานยังมีเพราะมีตัณหาตัณหายังมีเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะมีผัสสะไม่ได้มีเราอยู่ในชาติไม่ได้มีเราอยู่ในภพไม่ได้มีเราอยู่ในอุปาทานไม่ได้มีเราอยู่ในตัณหา ไม่ได้มีเราอยู่ในเวทนาไม่ได้มีเราอยู่ในอายตนะผัสสนามรูปวิญญาณสังขารหรืออวิชชาไม่มีเราเลยในระบบเนี้ยแต่เมื่อใดก็ตามถึงแม้ท้าไม่มีเรานี่แหละแต่ถ้ายังมีอวิชชามันจะมีสังขารเมื่อมีสังขารมันจะมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณมันจะมีนามรูปเมื่อมีนามรูปจะมีสลายตนะเมื่อมีสลายตนะจะมีผัสสะเมื่อมีผัสสะจะมี เวทนามอเวทนาจะมีตัณหามีตัณหาจะมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจะมีภพเมื่อมีภพจะมีการเกิดโดยไม่ต้องมีเราสิ่งทั้งปวงเหล่านี้คือทำล้วนๆเลยไม่ใช่เราแต่เมื่ออวิชชาดับสังขารสามจะดับสังขารสามดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับสาภัดสษะเวทนาตัณหาอุปาทานภพดับชาติดับ ก็ไม่ใช่เราดับแต่ธรรมนั้นดับไปกับทั้งเหตุไม่ใช่เราดับแต่อวิชชาดับไม่ใช่เราดับสังขารดับไม่ใช่เราดับวิญญาณดับไม่ใช่เราดับนามรูปดับไม่ใช่เราดับอายนภัษาเวทนาดับไม่ใช่เราดับตัณหาดับไม่ใช่เราดับอุปทานดับก็ไม่ใช่เราดับภพดับก็ไม่ใช่เราดับชาติดับก็ไม่ใช่เราดับ การเกิดนั้นสิ้นไม่ใช่เราสิ้นเพราะตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วไม่มีเราอยู่ในชาติไม่มีเราอยู่ในภพไม่มีเราอยู่ในอุปทานไม่มีเราอยู่ในตัณหาไม่มีเราทั้งสายเนี่ยเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆนี่คือพุทธศาสนาถ้าอาวิชชา ย, ยังมีอยู่สังขารวิญญาณนามรูปสไลน์นภศเวทนาตัณหาอุปทาน พบชาติหรือการเกิดก็จะยังมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเกิดถ้าวิชาดับสังขารดับบิญยาณดับนามรูปดับขันห้าดับสนิทหมดเลยตัณหาประทานพบชาติก็ดับใช่เราดับไม่ชาติดับก็ไม่ใช่เราดับความต่างของพราหมณ์กับพุทธอยู่ตรงคําว่าเห็นว่ามีเราแต่พุทธเนี่ย เห็นว่าไม่มีเรามีแต่ระบบธรรมชาติล้วนเพราะถ้ามีสิ่งนี้ก็จะยังมีการเกิดถ้าเหตุปัจจัยดับการเกิดก็สิ้นไปการเกิดสิ้นไปใช่เราสิ้นไปไหมไม่ใช่เราสิ้นไปแต่การเกิดสิ้นไปหรือทุกสิ้นไปดังนั้นในระบบธรรมชาติเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัตตะสงสารอยู่ วัตตาสุสารอยู่เมื่อใดก็ตามคนอยากจะพ้นแก่เจ็บตายคนนั้นต้องพ้นเกิดให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นทำให้พระเจ้าต้องสาวต่อเลยว่าและอะไรหนอที่หล่อเลี้ยงการเกิดตายของสัตว์ให้ยังดำรงอยู่การสืบค้นจึงทาให้รู้ไปถึงภาวะที่พบว่าเพราะขันยังดับไม่สนิทนั่นก็คือกลไก แล้วก็สาวต่อไปเรื่อยๆการสาวหาห่วงโซ่ปะติดคือเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดชาติในที่นี้นทาให้พระ อ, องค์รู้ได้ว่าชาติจะสิ้นโดยสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะระบบอะไรจะทำให้ชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วคำว่าชาติสิ้นแล้วหมายถึงตัวเราสิ้นั้มก็ไม่ใช่แต่ถ้าพราม พราหมณจะมีการเวียนว่ายไตเกิดแบบมีเราเป็นผู้เวียนว่ายแล้วถือเอาจิตคือเราถือเอาจิตคือเราพระคิดว่ามีเราอยู่ในชีวิตเนี่ยต้องเอาอะไรสักอย่างคือเราเพราะพราหมณ์ก็ถือเอาจิตคือเราแล้วก็พัฒนาตัวเองซึ่งก็คือจิตคิดว่าจิตคือตัวเองการพัฒนาจิตก็คือการพัฒนาตัวเองหรือตัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นจิตที่บริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ และเมื่อเชื่อว่าจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ลงมาเกิดอย่างนี้แล้วว่าเชื่อไปในทางมีอัตตาพอมีตัวเขาเวียนไหวก็หมายถึงว่าเชื่อไปทางมีอัตตาผู้เวียนไหวแต่ในระบบธรรมชาติเนี่ยมันมีระบบการเวียนไหวอยู่โดยจำเป็นต้องมีตัวเราไหมไม่จำเป็นระบบการเวียนไหวจะยังคงอยู่ขันจะยัง ทรงวิธีการเกิดตายเกิดตายหยุดตราบเท่าที่เหตุปัจจัยยังไม่ถูกทําลายเหตุปัจจัยของการเกิดตายก็คือตันหาสาวลึกลงไปก็คืออวิชชางนั้นเมื่อมีคําว่าเวียนว่ายตายเกิดระบบธรรมชาติจึงสมดุลในทางที่คนทั้งหลายจะได้ผ่านวิธีการสั่งสมบุญ สังสมบารมีสังสมอินซีสังสมการกรําต่างๆทำให้คนเรามีการเกิดตายที่ต่างกันถ้าไม่มีการเวียนไว่ายตายเกิดจะมีการสังสมบารมีไหมไม่มีถ้าพุทธศาสนาไม่มีการพูดถึงการเวียนไว่ายตายเกิดแบบนี้เลยเนี่ยถือว่าครบถ้วนไหมถ้าพระเจ้าไม่รู้ทถึงวิถีการเวียนไว่ายตายเกิดในสวดทรงแบบเนี้ย จะเรียกว่าผู้แทงตลอดโลกธาตุไหมไม่ล่ะนั้นเขตของคำวิเวียนไหาไตเกิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นการเวียนไหวไตเกิดก็ตามในทางเข้าท้องนี่แหละถ้าการเวียนไหวในแบบนั้นบุคคลเข้าใจถูกต้องโดยระบบว่ามีแต่ทำลุ้นลวนเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ การเห็นอย่างเงี้ยจะเชื่อไปทางมีอัตตาได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้เห็นไปทางว่ามีอัตตามีตัวบุคคลมีตัวเราความเห็นอย่างนั้นไม่ใช่สัตจสติทิฐิหรือไม่ใช่เห็นอย่างพราหมณ์เมื่อไม่ใช่เห็นอย่างพรามณ์แต่ก็ยังมีการเวียนไหวตายเกิดเข้าท้องอยู่ดีนั่นเองการเวียนไหวตายเกิดเข้าท้องแบบพรามณ์เชื่ออย่างพราหมณ์นี่คืออย่างหนึ่ง กับการเวียนไหวตายเกิดที่เข็นโดยวิธีถูกต้องตามธรรมชาติอย่างพุทธเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งแต่เหมือนกันคือยังมีการเวียนไหวตายเกิดเกิดตายเกิดตายเหมือนกันทางเนื้อหนังต่างกันแค่ความเข็นไปทางมีอัตตามีตัวบุคคลมีตัวเราเป็นอมตะยืนลงเลย มีเราที่ตายแล้วสูญหรือมีเราที่ตายแล้วเกิดกับภาวะที่มีแต่กระบวนการการเกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดกระบวนการการสิ้นสุดการเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับการเกิดจึงดับไม่ใช่มีเราดับแต่การเกิดนั้นสิ้นไปหรือทุกสิ้นไปไม่ใช่เราสิ้นไปเพราะเราเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว นั้นการที่เราเข้าใจระบบคาสอนว่ามีการเวียนไหวไตเกิดทั้งเนื้อหนังอยู่เนี่ยการเข้าใจอย่างเงี้ยจะต้องหมายถึงว่าเข้าใจอย่างพรามั้ยการที่เราเข้าใจว่ามันมีการเวียนไห้ไตเกิดทั้งเนื้อหนังได้อยู่เข้าท้องเนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นความเข้าใจอย่างพรามั้มจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าเข้าใจว่ามีตัวเรา มีตัวเราเลยล่ะไอตัวเรานี้มีอยู่จริงเหมือนเราเข้าใจว่าในหุ่นยนต์มีตัวบุคคลอยู่ในนั้นเลยล่ะถ้าเข้าใจว่ามีตัวเราอยู่อย่างเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าใจอย่างพรามถ้าเข้าใจอย่างพุทธคือมันไม่มีเราอยู่ในขันไม่มีขันห้าคือเราห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยค้นคว้าภายหลังจากพบว่าไม่มีตัวพระองค์อยู่ในขันห้ามาแล้วนะ ท่านรู้ว่าไม่มีพระองค์อยู่ในขันห้าเพราะใครก็ตามจะรู้แจ้งปฏิบติดได้เนี่ยคนนั้นต้องรู้แจ้งขันห้าให้ได้ก่อนไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องรู้แจ้งขันห้าถูกต้องจะพบาว่าไม่มีเราอยู่ในขันห้าไม่มีขันห้าในเราความรู้ตรงส่วนนี้ทำให้เกิดการสาวต่อไปแล้วพบว่าแล้วทำไมขันเนี่ยมันจึงดับไม่สนิทไอขันที่ไม่ใช่เราเนี่ย การสาวต่อจึงทําให้เกิดการค้นหาเหตุที่ทําให้การเกิดมันยังคงอยู่ว่าอะไรทําให้ขันดับไม่สนิทและยังต้องเกิดอยู่จึงเกิดการสืบค้นและค้นพบว่าเพราะมีพบจึงมีชาติคําว่ามีพบกับมีเราใช่เดียวกันไหมแล้วอะไรจึงมีพบกับเพราะมีอุปท า, านจึงมีพบไม่เกี่ยวกับต้องมีเราเลยเพราะอะไรจึงยึดถือเพราะมีตัณหาจึงยึดถือเพราะมีตัณหา มันจึงมีประทานเพราะมีประานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติต้องมีเราั้มไม่ต้องมีเรามีแต่ธรรมลุ้นล้วนเลยธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงตรัสเหตุและการดับสนิทแห่งธรรมนั้นไม่ต้องมีเราแต่ถ้ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่ออกพราหมเลยมีเราขึ้นมาเมื่อไหร่คือพราม เดวดีว่าจิตคือเราเนี่ยคือพราหมณ์แล้วก็ไอตัวเราเป็นอมตะที่ไม่ได้ดับสลายไม่ดับสนิทแล้วก็มีตัวเราเนี่ยไปทรงอยู่อย่างเป็นอมตะมีเราเนี่ยเวียนว่ายไตเกิดมีเราเวียนว่ายไตเกิดกับมีจิตเวียนว่ายไตเกิดเนี่ยอันเดียวกันไหมไม่แน่ใจเราเวียนว่ายไตเกิดกับจิต ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดคนละนถ้าพรามเนี่ยมีเราเวียนว่ายตายเกิดถ้าพุทธเนี่ยมีจิตเวียนว่ายตายเกิดนั้นการสอนว่า ย, ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถ้าตีรัวว่าเป็นพรามแล้วเนี่ยเสียหายเลยเหมือนกันในมุมนี้ก็มีมาแล้วบุคคลเข้าใจว่าอรหันเนี่ยตายแล้วศูนย์ เขาใจว่าอรหันตายแล้วสูญพระสารีบุตรก็เลยเรียกมาถามว่ารูปขันหลือคืออรหันต์ไม่ใช่เวทนาขันหลือคืออรหันต์สัญญาขันหรือคืออรหันต์สังขารขันหลือคืออรหันต์วิญญาณขันหลือคืออรหันต์เมื่อไม่มีอรหันต์อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเลยเนี่ยแล้วอะไรที่ตายแล้วสูญนะมีไหมพระอรหันต์ท่านไม่ได้มีอยู่แล้วในรูป พระละหันท่านไม่ได้มีอยู่แล้วในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคําว่าไม่มีตัวของพระละหันก็หมายถึงไม่มีภาวะความเป็นอัตตาตัวบุคคลอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยนั้นเมื่อขันดับใช้อรหัน์ดับไหมไม่ใช่อันนี้คือพุทธไม่มีเรามีแต่ขันหรือมีแต่ทุกข์นั้นห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ย ก็จะแสดงให้เห็นวิถีการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นวงจรหนึ่งของโลกธาตุที่มีอยู่ถ้าไม่มีวิธีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเทวดาจะมีหมัหยไม่มีแล้วนะดับสนิทหมดทันทีที่สิ้นลมเทวดาก็ต้องไม่มีพรมไม่มี นรกไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยนะสวรรค์ก็ต้องไม่มีดูให้คือดับหมดเลยไม่เหลือโอปปะิกะอีกแล้วในโลกธาตุนี้ไม่เหลือเมื่อไม่เหลือสิ่งนี้ไอ้ที่สอนเรื่องเห็นสิ่งเป็นทิพย์ก็ต้องตัดออกด้วยเพราะสิ่งเป็นทิพย์มันจะมีได้ไหมก็ไม่ได้อีกสิ่งเป็นทิพย์ก็ต้องไม่มีนั้นทิพพจักษุอะไรเนี่ยก็ต้องเอาออกไปด้วยการสอนเรื่องเนี้หรือที่พระเจ้าบอกท่านสามารถเห็นได้เนี่ยก็ต้องเอาออกไปด้วย หรือที่พระเจ้าบอกท่านเนี่ยต้องสั่งสมบา ร, รมีมาหลายอสงไขเนี่ยไม่ถึงเกิดมานานมะและท่านก็บอกว่าจุติลงมาเข้าท้องมารดาเนี่ยมาจากไหนอะถ้าไม่ไปค้างอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยมาจากไหนก็หมายถึงก็คือต้องตายมาแล้วก็ต้องไปค้างอยู่ชั้นดุสิตนั่ น, น่ะจึงมาเข้าท้องได้ถ้าทิ้งวิถีวัตสงสารแบบนี้ออกไปเนี่ย ธรรมะหายไปครึ่งค้อนปตบตติบดกเลยนะแล้วมันค้านกันเองเยอะมากในเบตติบดกตัดทิ้งไปเลยมันจึงเกิดเป็นความยุ่งยากเยอะมากแล้วธรรมะกลายเป็นขัดกันเองในบทธรรมเต็มไปหมดเลยถ้าจะเลี่ยงการเกิดตายทั้งเนื้อนหนังเพื่อเลี่ยงการเป็นพราหมณ์เนี่ยเละเรื่องสิ่งเป็นทิพย์เละเรื่องยานอย่างรู้สิ่งเป็นทิพย์เละเรื่องสวรรค์นรกพรมโล ะ, ละเรื่อง ละทิ้งเลยเละเรื่องกฎแห่งกรรมเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามกรรมพราะทําอะไรมานจึงเกิดมายากจนทําอะไรมาจึงเกิดมาผิวพรรณงดงามทําอะไรเกิดมาร่ํารวยทําอะไรเกิดมาฉลาดเพราะไม่มีการเวียนว่ายแบบนี้เรื่องกรรแบบนี้ต้องเลาะออกมหมเละอีกจะเหลืออะไรบ้างใน บ, บัตถิบดปเนี่ยแล้วจะไม่เหลือ น้นห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นระบบที่พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดแบบซื่อๆก็ได้โดยไม่ต้องเป็นพรามไม่ต้องเป็นพรามหรอกคำว่าพรามเนี่ยคือเวียนว่ายแบบมีตัวเราเวียนว่ายคำว่าพุทธมีระบบการเวียนว่ายอยู่โดยไม่ต้องเป็นการเวียนว่ายที่มีเราเวียนว่ายมีแต่ขันที่ยังเกิดเพราะยังมีภพ พบยังมีเพราะมีความยึดถือความยึดถือยังมีเพราะยังมีตัณหาตัณหายังมีเพราะมีเวทนาต้องมีเรามะมไม่มีแต่ถ้าห่วงโซ่นั้นดับหมดชาติก็ดับการเกิดดับใช้เราดับมะมก็ไม่ใช่เราดับอีกนี่คือพุทธนั้นวิถีการเวียนว่ายตเกิดถ้าพูดถึงเกิดคือเกิดเนี่ยฟังแล้วง่ายมะเห็นหน้าตาชัดเลยนะเกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บตายนี่เห็นชัดและการเข้าใจแจมแจ้งใ น, นกลไกการเกิดตายนี่แหละทําให้พระอรหันต์ผู้รู้แจ้งเหตุเกิดชาติเนี่ยหมดความสงสัยในการเกิดตายมันจึงจัดเป็นความรู้ชั้นวิมุตติยาณทัศน์ตัวหนึ่งที่ทําให้ท่านพอรู้แจ้งแล้วนะ่ะทำให้ท่านรู้ได้ว่าการเกิดของท่านสิ้นสุดลงแล้วเพราะเหตุทั้งปวงเหล่านี้ได้ดับสนิทลงแล้วอย่างไร จึงจัดเป็นความรู้ชั้นยานลักษณะการรู้แจ้งระบบของห่วงโซ่ปฏิจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้เบื่อโลกห่วงโซ่ปฏิจสมุปบาทไม่ใช่ระบบของการปฏิบัติไม่ใช่เอามาปฏิบัติและไม่ใช่สิ่งที่จะมาดับหน้าที่ตรงไหนได้ด้วยตรงนี้เราต้องศึกษาที่รายละเอียดต้องดับที่วิชาอย่างเดียวทุกอาการจึงดับหมด คุณจะมาดับตรงภาษะไม่ได้คุณจะดับตรงตัณหาไม่ได้คุณจะดับตรงอุปทานไม่ได้คุณจะดับตรงพบก็ไม่ได้จะดับตรงพบก็ดับไม่ได้เพราะพบจะดับต้องดับที่อุปะทานต้องดับที่เหตุดับที่เหตุดับที่เหตุที่สุดเหตุสูงสุดอยู่ตรงอวิชชาที่สุดต้องดับที่วิชาตัวเดียวเท่านั้นทุกสิ่งจึงดับไปทั้งกบิด ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากคือทั้งเหตุละที่เหตุอย่างเดียวเท่านั้นถ้าศึกษาเข้าไปแล้วจะรู้ว่าต้องละที่เหตุมันตัดไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมานั่งละด้วยสติสมชัญญะเพราะปฏิจจสุบาทิพุทธเจ้าไม่ใช่มานั่งละปฏิจจสุบาทคือตัวความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ส่งค้นคว้า เพื่อให้หมดความสงสัยเท่านั้นเองพอรู้แจ้งแล้วก็หมดความสงสัยว่าเหตุเกิดชาติมันเป็นอย่างนี้เองนอแล้วก็จบไม่ไดเอาไปละอะไรแต่การจะสิ้นชาติเนี่ยต้องสิ้นภพจะสิ้นภพต้องสิ้นอุปาทานจะสิ้นอุปาทานต้องสิ้นตัณหาจะสิ้นตัณหาเนี่ยไม่ใช่พอรู้แจ้งปฏิจจสุบารจะสิ้นตัณหาต้องสิ้นอวิชชา จะสิ้นอวิชชาต้องสร้างวิชาคือสร้างความรู้อริยสัจจะสร้างความรู้อริยสัจ ต, ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ให้เกิดเพื่อผลิตอริยสัจให้ให้มีขึ้นมาอันนี้คือที่เราจะเรียนกันต่อไปในรายละเอียดปฏิจจสมบาติเป็นระบบที่แสดงแค่ระบบแต่ถ้าวิถีปฏิบัติเนี่ยจะต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อทาให้ ชาติดับพบดับอุปทานดับตันหาดับดับดับดับให้วิชาดับวิธีที่จะให้ดับก็คือต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือมักมีองค์8ทํทำให้ห่วงโซ่ปฏิตดดับทั้งระบบนี้ก็ไปที่ตรงนั้นนั้นห่วงโซ่ปฏิจจสุบาทจะเป็นการขยายเขตความรู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ และเมื่อรู้เหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างไรก็รู้การดับสนิทนลงแห่งการเกิดตายเนะี่ยระบบเป็นอย่างไรผ่านช่วงวันเวลาอีกการแสดงห่วงโซ่ปฏิจจสมบาตก็มีการเพิ่มความหลากหลายอีกที่เป็นการพูดถึงปฏิจจสมบาตชนิดที่ไม่เต็มบริบูรณ์มีแบบเต็มบริบูรณ์กับไม่เต็มบริบูรณ์ถ้าคนไม่รู้จักจริงเนี่ยสับสนได้เลย บางครั้งพ่อองค์ก็จะแสดงว่าอะไรเล่าเป็นบจจัยจึงมีชาติก็เพราะมีภพอะไรเล่าเป็นบจจัยจ yeah. ึงมีภพก็เพราะมีอุปาทานอะไรเล่าเป็นบาจใจจึงมีอุปาทานก็เพราะมีตัณหาอะไรเล่าเป็นบจจัยจึงมีตัณหาก็เพราะมีเวทนาอะไรเล่าเป็นบาดใจมีเวทนาเพราะมีปัสสะและพออะไรจะมีปัสสะเพรามีอเยตนะพราะมีอะไรจึงมีอเยตนะก็เพราะมีนามรูปและอะไรเล่าเป็นบจจัยจึงมีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณ อะไรเล่าไปเป็นใจจึงมีวิญญาณก็เพราะมีนามรูปบางบทพอมาถึงนามรูปก็ไปถึงวิญญาณพอถามต่ออะไรเล่าไปเป็นใจจึงมีวิญญาณท่านกับวกกลับมาที่นามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี้ปฏิจจุสบาทแบบนี้ก็มีกับบางบทแสดงสุดที่สังขารแล้วจบ โดยมากท่านจะไล่จากล่างขึ้นบนอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็เพราะมีพบอะไรมีพบพรมีอุทานไล่ไปจนถึงที่สุดอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณแล้วจบกับมีแบบมาถึงแค่วิญญาณละ ก, กับกับมีแบบปฏิจจสุบาทแสดงผ่านการทํางานของตาหูจมูกลิ้นกายใจตาถึงภาพ มีวิญญาณ3อย่างรวมกันเลี้กผัสสะเมื่อมีผัสสะจึงทําให้มีเวทนาเพราะปราศจากวิชารู้ทั่วถึงเข้าไปสัมผัสต่อเวทนานั้นจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีวรทานมีิวรรธนจึงมีภพมีภพจึงมีชาติหูถึงเสียงเกิดผัสสะพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาวิชาสัมผัสเวทนาจึงมีตัณหามีตัณหามิวรทาน์มิวรรธน์มีภพมีภพมีชาติ ไล่ไปมีเกิดพบชาติทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือมุมหนึ่งของห่งโซ่ปฏิตในชั้นที่เกิดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราก็ต้องมาเรียนกันว่ามันเกิดยังไงเป็น้อสํำคัญการมาศึกษาห่งโซ่ปฏิจจสมบาลทำให้ยมอิ่มไปเยอะเลยในทางความรู้ ห่วงโซ่ปฏิทิที่แท้จริงจะต้องทําให้เราสามารถมองเห็นไปทีละขณะได้ไม่ใช่ตีรวบอย่างเดียวเห็นในขณะได้ว่าพบเป็นปัใจจัยให้มีชาติเนี่ยมันมีชาติได้อย่างไรล็อกแค่ว่าเพราะมีพบจึงมีชาติเนี่ยสามารถเห็นภาพภาวะตรงนั้นได้ว่าพบทำให้มีการเกิดได้อย่างไรพระเจ้าให้คนคว้าปฏิทิในแบบเลยว่า ให้รู ات, ้ว um. <t os> <royable> ่าชาติมีธรรมชาติอย่างไรเหตุเกิดชาติเป็นอย่างไรการดับสนิทแห่งชาติเป็นอย่างไรวิธีได้มาซึ่งความดับสนิทแห่งชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรเหตุเกิดพบเป็นอย่างไรการดับสนิทลงแห่งพบเป็นอย่างไรวิธีให้ได้มาซึ่งการดับสนิทลงแห่งพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรเหตุเกิดอุปทานเป็นอย่างไรการดับสนิทอุปทานเป็นอย่างไร วิถีได้มาซึ่งการดับสนิทนั้นเป็นอย่างไรไล่ไปจนถึงอวิชชานี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทที่แสดงในแบบที่สาวไปทีละจังหวะขณะของแต่ละตัวนี่ก็ปฏิจจปฏิจจเยอะนะทีนี้ปฏิจจสมุปบาทจะต้องทําให้เราเนี่ยเห็นไปทีละขณะได้เช่นเดียวกับที่พุทธเจ้าท่านเห็นไปทีละขณะพุทธเจ้าท่านค้นไปทีละขณะว่า เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็ค้นคว้าแล้วพบคำตอบว่าเพราะมีพพพอพบคำตอบแล้วค้นคว้าต่อและอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีเพพอค้นคว้าต่อจึงเกิดการค้นพบเพราะมีอุปทานจึงมีพบพอรู้ว่ามีอุปทานจึงมีพบก็ค้นคว้าต่อและอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน ก็เกิดการค้นคว้าต่อว่าเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพื่อทีเจ้าค้นไปทีละขณะก็เห็นทีละขณะเห็นทีละขณะก็ค้นต่อก็เห็นอีกทีละขณะค้นต่อก็เห็นทีละขณะดังนั้นห่วงโซ่ประติดจะต้องสามารถเห็นได้ไปทีละขณะทุกจังหวะที่มีผลต่อกันเห็นได้ว่าเพราะมีพบจึงมีชาติน ตรงนั้นกลไกลเป็นยังไงเห็นได้ว่าเพราะมีอุปท า, านจึงมีพบเนี่ยตรงนั้นกลไกลเป็นยังไงเห็นได้ว่าพราะมีตัณหาอุปทานน่ยตรงนั้นกลไกเป็นยังไงตัณหาทําให้มีอุปทานได้อย่างไรต้องเห็นได้เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาต้องเห็นได้ว่ามันทำให้มีตัณหาได้อย่างไรจนกระทั่งสามารถเห็นเป็นจังหวะจนสิ้นสุดกระบวนการ เขเรียกว่ารู้แจ้งห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาททุกอาการทุกความเป็นเหตุเป็นปัจจัยระหว่างกันต่อกันอันนี้คือรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเขามีเอาไว้เพื่อให้รู้แจ้งรู้แจ้งเสร็จก็จบเหมือนพระเจ้าเนี่ยพอไปค้นคว้าเนี่ ย, ายสาวไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดคืออวิชชา พอรู้แจ้งท่านก็เปล่งอุทานเลยเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมนั้นย่อมสิ้นไปพอได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุสิ่งที่หมดไปคือความสงสัยจบไม่มีอะไรต่อมาท่านก็ทบทวนสายดับ ว่ามิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับไล่ทบทวนสายดับลงมาทีละจังหวะจนถึงที่สุดล่างคือชาดดับท่านก็เปล่งอุทานอีกครั้งเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย สิ่งนี้จะดับเมื่อปัจจัยเหล่านั้นมันดับถ้าปัจจัยตัวนี้ดับสิ่งนี้จะดับต่อมาเพื่อความมั่นใจเอาอีกครั้งหนึ่งทบทวนการเกิดว่ามีเหตุมาอย่างไรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไล่ลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจไปทั้งขึ้นและลงเป็นครั้งที่3เห็นโครงสร้างแจ่มใสไปตลอดสายเกิดเห็นโครงสร้างแจ่มใสไปตลอดสายดับแล้วก็เปล่งอุทานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏคำว่าปรากฏเนี่ยคือหมายหมายหนึ่งมันแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจนะเมื่อใดแลทาทั้งหลายปรากฏแก่พราหม์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหม์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุจอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดขึ้นศาสส่องท้องฟ้าให้สว่างสวัยฉะนั้น คำว่าสว่างสวัยและหมดความมืดก็คือหมดความไม่รู้สว่างสวัยก็คือแจ่มแจ้งกระจ่างเลยว่าระบบเขาเป็นยังไงห่วงโซ่ปฏิติก็คือสิ่งที่บุคคลควรทำให้แจ่มแจ้งกระจ่างและหมดความสงสัยมอหมดความสงสัยแจ่มแจ้งกระจ่างก็หมายถึงว่าเราเนี่ยรู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ละว่าเป็นอย่างไร แล้วก็จบไม่ใช่รู้แจ้งปฏิติแล้วตันหาวัฏฐานภพชาติมันดับนะตันหาวัฏทานภพชาติจะดับเมื่อหลุดพน้นจะหลุดพ้นเมื่อรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการไม่ใช่รู้ว่าเพราะมีวิชาจึงมีสังขารไม่มีสังขารจึงมีวิญญาณเพระวิญญาณจึงมีนามรูปพอรู้อย่างนี้ไม่ได้ทําให้เบื่อโลกตรงเบื่อโลกเนี่ยต้องรู้แจ้งทุกขสัจ ไม่ใช่รู้แจ้งเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกต้องละทุกต้องกําหนดรู้นี่คือกิจปฏิบัติทุกขสัตว์เนี่ยคือเรื่องราวของขันเรื่องราวของรูปเสียงกิเรสลดผลิตภัณฑ์ธรรมลมเนี่ยต้องแจ่มแจ้งให้ถูกลักษณะแล้วจิตจะจางคลายหลุดพ้นีนี้รู้แจ้งทุกเนี่ยสิ้นตัณหารู้แจ้งปฏิจจสุบาทเนี่ยสิ้นความสงสัยในความหลุดพ้นหรือการเกิดตาย นี่คือห่วงโซ่ปฏิทีนี้เราจะทำความเข้าใจปฏิจจสุบาทได้สำเร็จข้อแรกโยมต้องไปศึกษาปริยัตให้รู้จักเจ้าสิบเอ็ดอาการให้รู้จักเจ้าสิบเอ็ดอาการก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคนไหนยังยังท่องไม่ได้ได้ชี้กลับแล้วไปท่อง และก็ต้องท่องให้ไทยด้วยว่าอวิชชาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนามรูปคืออะไรต่อมาเราค่อยมาเรียนกันว่าอวิชชามันทำให้มีสังขารได้ยังไงสังขารทำให้มีบิญญาณได้ยังไงวิญญาณทำให้มีนามรูปได้ยังไงนามรูปทำามีอายตนะได้ยังไงตรงนี้เราจะมาเรียนกันตรงส่วนนั้น ดังนั้นเรื่องราวของหงโซปติดเนี่ยข้ออีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับโยมจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยคือโยมต้องมีพื้นความรู้เรื่องขันมาก่อนรู้หรื อ, อยังนอขั น, นถ้ายังไม่รู้เรื่องขันมาก่อนฟังไม่รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์เนี่ยคืออริยสัตว์ตัวที่สองตัวแรกคือทุกขสัตว์ เขตของทุกขสัตว์คือเขตความแจมแจ้งเรื่องขันเรื่องความไม่มีเราในขันนี่คือแจมแจ้งเรื่องขันเป็นขั้นที่หนึ่งพอก้าวถึงขั้นที่สองเนี่ยแจมแจ้งเรื่องกลไกลการสืบต่อของขันหรือการเวียนไหวตายเกิดของสัตว์เนี่ยหมายถึงรู้เรื่องขันมาแล้วเพื่อเจ้าเข้าใจแจมแจ้งห่วงโซ่ปฏิติเนี่ยพระรู้เรื่องขันมาก่อน ถ้าโยมฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเพราะยังไม่รู้เรื่องกันนี่คือข้อที่หนึ่งกับปฏิปเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลึกถ้าโยมฟังไม่เข้าใจเนี่ยประหลาดั้มไม่ประหลาดดีั้มไม่ดีนะอาจารย์เทศเหนื่อยนะไม่ดีเนเมื่อโยมมาต้องการจะศึกษาปฏิโยมไปท่องจำอาการ มีเวลาว่างก่อนนอนอาจจะท้องสักหน่อยหรือคนไหนเข้าใจแล้วก็ทบทวน s เองเลยอย่าบางคนอาจจะฟังอาจารย์มาเยอะแล้วเรื่องปฏิบเนี่ยการได้ฟังซ้ําเพื่อย้ําว่าเราเข้าใจจริงไหมนี่คือประโยชน์หรือการได้ฟังซ้ําอาจจะทําให้เราแตกฉานยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์คนไหนที่ยังรู้ผิดก็ได้รู้ถูกนี่คือประโยชน์นะอย่าคิดว่ารู้แล้วแนละ้วจบปฏิบติเนี่ย ฉันใจเย็นๆฟังไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมดามีเพื่อนแน่นอนไม่เข้าใจ เ, เรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็กราบลาพระอยากใจกันไป